หรือคล้ายมาจากสูตรเวลาลางเป็นต้นอาตมาเรียนถามหลวงปู่ก็หลายครั้งในที่สุดท่านกล่าวอย่างเป็นกลางว่าสัตยธรรมทั้งหมดมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัตยธรรมนั้นแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเพราะทายาสายของสัตว์ไม่เหมือนกันยาบ้างประนีตบ้างพระองค์จึงเปลืองคาสอนไว้มากถึงแ4พันพระธรรมขันธ์ เมื่อมีนักปราชญฉลา ด, ลาดสรรหาคำพูดให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อใจอที่บายสัจธรรมนั้นนำมาตีแผ่เผยแจ้งแก่ผู้มู้สัจธรรมด้วยกันเราย่อมจะต้องอาศัยแนวทางในสัจธรรมนั้นที่ตนเองไต่ตรองเห็นแล้วว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนำแผ่ออกไปอีกโดยไม่ได้คำหนึงถึงคำพูดหรือไม่ได้ยึดติดในอักษรพยัญชนะตัวใดเลยแม้แต่น้อยเดียวเรื่องละเอียด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 เพื่การอัมลาให้หลวงปู่ท่านกล่าวว่าพักผ่อยู่ที่นี่สบายดีอากาศก็ดีภาวนาก็สบายนึกถึงบรรยากาศเก่าๆ เ, เมื่อสมัยเที่ยวทุดงแล้วหลวงปู่ก็กล่าวธรรมโมว่ามีความต่อนหนึ่งว่าสิ่งใดซึ่งสามารถรู้ได้สิ่งนั้นเป็นของโลกสิ่งใดไม่มีอะไรจะรู้ได้สิ่งนั้นคือธรรมโลกมีของคู่อยู่เป็นนิต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 แต่ก็เคร่งครัดต่อการปฏิบัติทุดงกรรมฐานอย่างยิ่งหลวงปู่เคยยกย่องว่าปฏิบัติได้ผลดีวันหนึ่งท่านอาพาธหนักใกล้จะมรณาภาพแล้วท่านปล่ารบว่าอยากเห็นหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลาตายอาตมาเรียนหลวงปู่ให้ทราบเมื่อหลวงปู่ไปถึงแล้วหลวงพ่อเบียดลูกกราบแล้วล้มตัวนอนตามเดิมโดยไม่ได้พูดอะไร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 จนไม่อยากละมาปฏิบัติธรรมท่านแนะนำชวนคิดให้เห็นชัดว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสังรวจดูความสุขว่าตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิตคัานสังรวจดูแล้วมันก็แค่นั้นแหละแค่ที่เราเคยรู้เคยพบมาแล้วนั่นเองทาไมจึงไม่มากกว่านั้นมากกว่านั้นไม่มีโลกนี้มีอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ซ้ําๆ ซ, ซากซากอยู่แค่นั้น เกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่าไปมันจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่าประเสริฐกว่านั้นปลอดภัยกว่านั้นพระริยาเจ้าทั้งหลายถ้าจือสละสุขส่วนน้อยนั้นเสียเพื่อแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกายสงบจิตสงบกิเลสเป็นความสุขที่ปลอดภัยหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้เลยเรื่องไม่ยากสำหรับผู้ไม่ติดอารมณ์ วัดบูรพารามที่หลงปลู่ประจำอยู่ตลอด50ปีไม่ได้ไปจำพรรษาที่ไหนเลยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหน้าสาลากลางติดกับสารจังหวัดสุรินด์ด้วยเหตุนี้จึงมีเสียงรบกวนความสงบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูงานช้างแฝดหรือฤดูเทศกาลแต่ละอย่างแสงเสียง ก, กะทึ่งเคื้อนตลอด7วันบ้าง1ิวันบ้าง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 แม้จะยังอยู่ในโลกทุกข์ที่กับสิ่งแวดล้อมโดยสถานใดก็ไม่อาจจุงจิตของท่านให้ไข้เขลียเจือปนกับสิ่งเหล่านั้นได้คือโลกธรรมไม่อาจครอบงำจิตได้เลยคือจิตไม่อาจกลับกลายไปเป็นจิตปุถุชนได้อีกไม่อาจกลับไปอยู่ใต้อํานาจของกิเลสตัณหาได้อีกเปรียบเหมือนกระทิมะพร้าวที่คั้นออกมาแล้วเอาไปสํารอกหรือเคี่ยวด้ยวยความร้อนจนเป็นน้ํามันออกมาได้แล้ว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 หากพอใจเพียงแค่นี้ผลดีที่ได้ก็คือทำให้กลัวการเวียน่หวตายเกิดในพบที่ตกต่ำแล้วก็ตั้งใจทำดีบริจาคทานรักษาศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันพากันกระหยิมยิ้มย่องในผลบุญของตนส่วนการที่จะขจัดกิเลสเพื่อทำลายอาวิชชาตันหาอุปาทานเข้าถึงความทนทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งปังหาเรื่อง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 เมื่อไปถึงศาลาใหญ่บนยอดถ้ำขามแล้วท่านอาจารย์ฟั่นกราบหลวงปูเ่เสร็จท่านอาจารย์เทศขึ้นไปถึงพอดีเมื่อเห็นพระเทละสำคัญทั้งสามรูปไปได้พบกันโดยบังเอิญเช่นนี้และท่านสนทนาวิาสาสะกันด้วยบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นยิ้มยามจ่สใสเช่นนั้นความทุกข์หายไปหมดความพลื่มปิติก็เข้ามาแทนที่ท่านอาจารย์ฟัน่นกล่าวแสดงความยินดีกับหลวงปู่ว่า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 ที่เห็นพระเถระสำคัญนั่งอยู่ด้วยกันโดยบังเอิญคือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศโอกาสเช่นนี้หาได้ง่ายที่ไหนตากล้องจากโซลินสองคนตั้งหน้าถ่ายรูปเอาอย่างเต็มที่ขากลับบนรถบัสใหญ่นั่นเองช่างถ่ายรูปเห็นว่าทุกคนกระหายที่จะได้รูปเขาจึงพูดว่าจะขยายสิบสองนิ้วจํหน่ายเอาเงินบำรุงวัดป่าจอมพระอาตมาคิดในใจว่า การเอารูปครูบาอาจารย์ไปตีราคาจำหน่ายเช่นนี้ดูไม่ค่อยงามเท่าไหรนักแต่เขาก็สั่งจองกันเกือบทุกคนเมื่อช่างเอาฟิล์มไปล้างแล้วปรากฏ ว, ว่าฟิล์มที่อุตสาห์ถ่ายไม่ตามกว่ายี่สครั้งนั้นมีลักษณะใสสะอาดเหมือนหนึ่งทองฟ้าที่ปลาสจากหมอกเมฆฉะนั้นความหวังที่จะได้รูปก็สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้น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 หรือไม่ก็เป็นคําจํากัดความอย่างกระทานรัฐชนิดระมัดระวงังหรือคล้ายประหยัดคําพูดอย่างยิ่งแม้แต่การสอนพิธีกรรมหรือศาสนาพิธีและการทําบุญบริจาคทานอะไรในระดับศิลธรรมหลวงปู่ทําแบบปล่อยวางหมดส่วนมากหลวงปู่กล่าวว่าเรื่องพิธีกรรมหรือบุญญากริยาวัตถุต่างๆทั้ ง, งหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังให้เกิดกุศลได้อยู่หากแต่ว่า สำหรับนักปฏิบัติแล้วอาจถือได้ว่าเป็นไปเพื่อกุศลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองเรื่องปกตินิสัยประจำตัวของหลวงปู่ทางกายมีร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงว่องไวสมสัดส่วนสะอาดปราศจากกลิ่นตัวมีอาพาธน้อยท่านจะสงน้ำอุ่นเพียงวันละครั้งเท่านั้นทางวาจา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 ไม่ถูกภาวะอื่นครอบงำท่านสอนอยู่เสมอว่าให้ทำความเข้าใจกับสภาวะธรรมอย่างชัดแจ้งว่าเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงสลายไปอย่าทุกโศกเพราะสภาวะนั้นเป็นเหตุเรื่องมีเวทนาหนักแต่ไม่หนักด้วยเวทนาหลวงปู่อาพาธหนักอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาเป็นวันที่17เจของการอยู่โรงพยาบาลคืนนั้น หลวงปู่มีอาการอ่อนเพลียอย่างมากถึงต้องให้ออกซิเจนช่วยให้ใจโดยตลอดเวลาดึกมากแล้วคือหกทุ่มกว่าท่านอาจารย์ยันตระพร้อมด้วยบริวารหลายท่านเข้าไปขอกราบเยี่ยมหลวงปู่เห็นเป็นกรณีพิเศษ จ, จึงให้ท่านเข้าไปกราบเยี่ยมได้หลวงปู่นอนตะแคงขวาหลับตาตลอดเมื่อคณะของท่านอาจารย์ยันตระกราบนมส ก, การแล้วท่านอาจารย์ยันตระ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 เพื่ออุทิศส่วนกุศลแดบ่บรรพชนที่สร้างโรงพยาบาลที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อพิธีถวายสังฆทานผ่านไปแล้วมีนายแพทย์และนางพยาบาลจำนวนหนึ่งเข้าไปกราบนามัส ก, การหลวงปู่แสดงความดีใจที่หลวงปู่หายจากอาพาธครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวพิยวาจาว่าหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีหน้าตาสดใสเหมือนกับไม่ได้ผ่านการอาพาธมา คงจะเป็นผลที่จากหลวงปู่มีภาวนาสมาธิจิตดีพวกกระผมมีเวลาน้อยหาโอกาสเพียรภาวนาสมาธิได้ยากมีวิธีใดบ้างที่จะปฏิบัติได้ไง่ายๆหรือโดยย่อที่สุดหลวงปู่ตอบว่ามีเวลาเมื่อไรให้ปฏิบัติเมื่อนั้นการฝึกจิตการพิจารณาจิตเป็นวิธีรัดที่สุดเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ความประพฤติตลอดชีวิตของหลวงปู่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 ถ้าสะดวกดีแล้วเป็นเริ่ดีทั้งหมดหลวงปู่สรุปลงว่าทุกอย่างรวมอยู่ที่ความประพฤติคือเรื่อดีเรื่ร้ายโชคดีโชคร้ายเรื่องเคราะห์กรรมบาปบุญอะไรทั้งหมดนี้ล้วนออกไปจากความประพฤติของมนุษย์ทั้งนั้นเรื่องสิ้นชาติขาดพบถรามหาเถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานสนทนาธรรมะขั้นปรามาภิับหลวงปู่หลายข้อ แล้วลงท้ายด้วยคำถามว่าพระเถระนักปฏิบัติบ า, บางท่านมีปฏิปทาดีน่าเชื่อถือแม้พระด้วยกันก็ยอมรับว่าท่านเป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดถึงขั้นต้องสึบหาลาเพศไปก็มีหรือไม่ก็ทําไข้เขยประพฤติตัวมัวหมองอยู่ในพระธรรมวิไนก็มีจึงไม่ทราบว่าจะปฏิบัติถึงขั้นไหนอีก จึงจะตัดวัตรตะรสงสารให้สิ้นพบสิ้นชาติได้หลวงปู่กล่าวว่าการสำรวมสำเนียกในพระวินัยอย่างเคร่งครัดและสมาทานถือทุดงนั้นเป็นปฏิปทาที่ดีงามอย่างยิ่งน่าเลื่อมใสแต่ถ้าเจริญจิตไม่ถึงอธิจิตอธิปัญญาแล้วย่อมเสื่อมลงได้เสมอเพราะยังไม่ถึงโลกรับภูมิที่จริงพระอระหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายเลย เพียงแต่เจริญจิตให้รู้แจ้งในขันห้าทางตลอดในปฏิจสมุบบาทหยุดการปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาจิตมันก็จบแค่นี้เหลือแต่บริสุทธิ์สะอาดสว่างว่างมหาสุญญาตาว่างมห า, า, า, าศาลอาภาธครั้งสุดท้ายหลวงปู่กลับจากรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า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 แล้วใช้สายตามองไปรอบๆ บ, บริเวณวัดอย่างละเอียดอ่อนซึ่งหามีใครทราบไม่ว่านั่นเป็นการมองดูอะไรๆครั้งสุดท้ายแล้วทบทวนธรรมมนุษสติครั้งสุดท้ายเวลาสี่ทุ่มผ่านไปหลวงปู่ให้พาท่านเข้าห้องนอนเหมือนเดิมท่านอยู่ในริยาบทนอนหงายหนุนหมอนสูงให้พระที่อยู่ในห้องแปด้ารูปสวดมนต์เจ็ดตนานย่อให้ฟัง จบแล้วสั่งให้สวดสติสัมโพธชงสามจบแล้วให้สวดปฏิจจสมุปบาทอีกสามจบหลังจากนั้นหลวงปู่ให้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพระในที่นั้นไม่มีองค์ไหนสวดได้สักองค์ท่านบอกให้เปิดหนังสือสวดพเพอิญห น, นังสือก็ไม่มีอีกเดชบุญที่ท่านอาจารย์ภูลศักด์ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมามีหนังสือฉบับหลวงติดมาด้วย จึงหยิบมาเปิดหาพระสูตรนั้นมัวพิกหาอยู่เป็นเวลานานหลวงปู่สั่งว่าเอามานี่ท่านหยิบออามาเปิดเองโดยไม่ต้องดูแล้วบอกว่าสวน ต, ตรงนี้ทำให้พระทุกองค์แปลกใจมากเพราะตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรพอดีคือหน้าร้อยเจสองพระสูตรนี้ยาวมากใช้เวลาสวดให้หลวงปู่ฟังถึงสองชั่งโมงกว่าจึงจบท่านฟังโดยอาการอันสองอบ ปัดชิมพจน์ของหลวงปู่เมื่อหลวงปู่ฟังพระสวดมหาสติปัฏฐานจบลงแล้วสักครู่หนึ่งต่อมาท่านกล่าวปรารบถึงลักษณะการที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานตั้งแต่เริ่มต้นมาจนตลอดซึ่งจะขอจับเอาใจความตอนท้ายไว้ในที่นี้ด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เข้าสู่นิพพานในฌานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระองค์ออกจากจตุตฌานแล้ว จิตขันหรือนามขันก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือโล่งดับเวทนาขันในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันปกติของมนุษย์ครบคร้องทั้งสติและสัมปัญญะไม่ถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอำพรางให้ลหลงไหลใดใดๆทั้งสิน้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างสมบูรณ์ภาวะอั น, นั้นจะเรียกว่ามหาสุญญาตาหรือจักรวาลเดิม หรือเรียกว่าพริบผานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมาก็เพื่อเข้าถึงภาวะนั้นเองวรจีสังขารคือวาจาของหลวงปู่ก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้แม้การเวลาก็เหมาะสมพระพุทธองค์ท่านทรงบำเพ็ญเพียรค้นคว้าสัจธรรมตลอดเวลาถึงหกปีครั้นได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้เมื่อเวลาใกล้รุ่งคือตีสี่ร่วงไปแล้ว ครั้นตรัสรู้แล้วทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอด45ปีก็ใช้เวลาตีสี่กว่านี้แผ่พยานสอดซองดูหมูสัตว์ผู้ควรได้รับการเสด็จไปโปรดถึงคราวพระองค์เสด็จดับขันทปรินิพานก็เป็นเวลาเดียวกันนั่นเองอันสังขารธรรมหนึ่งซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ณบ้านประสาทอำเภอเมืองสุรินทร์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 ก็ปล่อยวางสังขารขันให้ดับลงแล้วเมื่อเวลาสีนาฬิกา13นาทีเหมือนอย่างนั้นนั่นเองสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือวันนั้นเป็นวันที่คณะสิทธิ์ทั้งหลายทั้งบรรพชิตอะครมหาทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีมาประชุมพร้อมเพรียงกันทำบุญฉลองอายุครบรอบ96กปีคือ8ดรอบถวายท่านเป็นกรณีพิเศษซึ่งเท่ากับเตรียมพร้อมอยู่แล้ว ผู้ไม่มีวิบากของสังขารเพิ่งจะเข้าใจได้ตอนนี้เองที่หลวงปู่เคยพูดว่าท่านไม่มีวิบากของสังขารเพราะแม้ท่านมีอายุผ่าน96ปีล่วงแล้วก็จริงแต่ร่างกายของท่านแข็งแรงว่องไวสะอาดสงบเยือกเย็นรุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ไม่หลงลืมเผลอเรอใดๆทั้งสิน้นเมื่อถึงคราวดับสังขารก็ดับลงอย่างสงบ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 บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของลูกูดูนอัตุโลเพียงเท่านี้